ธรรมชาดกแผ่นที่หนึ่งลำดับที่สี่โดยหลวงพ่ออินทวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมเมื่อวันที่20สิงหาคม2548มีชื่อเรื่องว่าขอทานบรรลุอรหันต์วันนี้เป็นวันพระขึ้น15คห้าำเดือนเก้า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 เพราะนั้นเมื่อออกพรรษาแล้วท่เนเอเมื่อสัจจะของเราเต็มเปี่ยมแล้วพวกเราจะขอรางวัลคุณงามความดีของเราก็ได้ท่านเองผู้ข้าได้รักษาศีลตลอดลอดฟังตลอดไตรมาศสามเดือนข้าพเจ้านั่งภาวนาทุกวันไม่ได้ขาดตลอดไตรมาศสามเดือนข้าพเจ้าไม่ได้ดื่มสุราตลอดไตรมาศสามเดือน ด้วยบุญกุศลที่เข้าไปเจ้าไดยตั้งไว้ดีแล้วนี้จงเป็นเครื่องเครื่อกุณหนุนขอให้เข้าไปเจ้าอย่าได้มีความทุกข์ยากลำบากอะไรเราตั้งจิตอธิษฐานสิ่งที่มันจะสมบัรุนกันเราก็จะได้สำเร็จสมความมุ่งมา่ปรารถน า, อาขอสำคัญอย่าไปค้ากำไรเกินควรเท่านั้นนะ ถ้าค้ากำไรเกินควรวนไม่ได้นะ ไ, ไม่สำเร็จมงั้นเพราะนั้นพวกเราทุกๆ ท, ท่านนะให้ทั้ง อ, อกตั้งใจรักษาสัจจะคือความจริงใจของตัวเองเอาไว้ก็พร้อมกันก็ให้พยายามสั่งสมบุญกุศลอย่าได้ประมาทเกิดมาทั้งทีชีวิตเกิดมาพบพระพุทธศาสนาให้เชื่อกรรมเชื่อผลของกรรมกรรมคือการกระทาของเรานี่แหละเป็นหลัก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 แต่ให้รู้จักประมาณตนอย่าไปใช้อะไรจนฟุ่มเฟือยจนเกินไปถ้าว่ามีหนี้มีสินพลุงพลังนี่ยไม่ดีนะขอให้พวกเราทุกๆคนนะนะั่นแหะให้รู้จักหาให้รู้จักเก็บให้รู้จักใช้ให้หาให้เก็บแลวให้ใช้ใช้ให้เป็นอย่าไปใช้อลุ่ยชุยแฉกอย่าขี้เกียจหาคำว่าหาคำนี้คือหาด้วยความสุดจลิต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 ถ้าว่ารมถูกต้องตามศีลธรรมแล้วทําไปเพื่อสแสวงหาเครื่องเลี้ยงชีพเศรษฐกิจอย่างนี้มันต้องพยายามพึ่งตนเองนะนะั่นแหะอัตหิอัตโนนาโถนะตนแรเป็นที่พึ่งของตนนะแล้วก็พร้อมกันก็สั่งสมบุญกุศลเอาไว้ถ้าว่าคนไม่มีบุญไม่มีกุศลนะเกิดมาพบหน้าชาติหน้านะ่ะยากจนยิ่งกว่านี้อีกนะถ้าว่าคนขี้เกียจทําบุญทําทาน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 เป็นคนขอทานขอทานกินเป็นวันวันไปพระอรนนท์เห็นท่านก็คงจะมองเห็นอุปนิสัยเก่านะั่นเออคนคนนี้ถึงเขาจะเป็นคนยากจนเป็นคนขอทานแต่อุปนิสัยเบื้องหลังของเขาเนะ่เขาเป็นผู้เป็นคนมีบุญอยู่แต่ว่ากรรมมาปิดบังเขาในชั่วขณะ น, นี้แต่เมื่อเขาบวชแล้วเขาจะได้บาเพ็ญแล้วเขาจะได้สาเร็จเป็นพระรหันต์องค์หนึ่งท่านกคงจะรู้ได้ ด้วยของท่านท่านพระอ น, นุนก็เลยบอกเอ้ยเราบวชจะไม่ดีหร้เอเราก็สมบูรณ์ทุกอย่างให้มาตั้งใจภาวนาในวัดวาศาสานาหน่บำเพ็ญบุญกุศลซะทั้งที่ท่านคงจะมองเห็นอุปกรรมหรือว่าสิ่งที่ดีอยู่ในบุคคลคนนั้นอยู่ยพระอ น, นุ์คงจะไม่ใช่ว่าจะจับมล้อยง่องมาบวชมันนั้นคงจะ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 เปลี่ยนผ้ากาศาวพัดให้แล้วก็เอา้เอาก็มอบเสื้อผ้าเครื่องขอทานของเขานะเนี่ยไปเก็บไว้ที่ไหนก็ไปพอบวชเป็นพระแล้วเนี่ยก็มีบริขารแปดแล้วเนี่ยมีบาทมีจีวรมีบริขารบริบรูรณ์ละจากนั้นท่านพระ อ, อนั้นพระเป็นพระแล้วแต่นเนี่ยโลติกะนี่ยก็เอาบริขารไปไว้ที่แห่งหนึ่งไว้ในมุมวัดแห่งหนึ่งเหม่งั้นเออเอาไปทิ้งไว้นะ่ะไปพาดไม้ไว้เอาไปพาดไม้ไว้ มุมวัดแห่งหนึ่งฮะจากนั้นท่านกบดท่านกบวดไปบินเทาบาดมาฉันอ้วนท้วนสมบูรณ์เลพอได้ทานอาหารที่เขาทำบุญทำทานจากนั้นพออยู่มาอยู่มาท่านอยากจะศึกบนี่มันใจมันแปลกเหมือนกันนะท่านอยากจะสึกอยากจะลาศิกขาทีนี้ท่านเอเอาอยัางไง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 อถ้าว่าใจห้องเราปั่นป่วนแล้วมันอยู่ไม่ได้เลยอฉะนั้นก็ท่านก็อยากจะสึกอยากจะศืกท่านก็ไปดูไปดูเสื้อผ้ากับเครื่องขอทานของท่านนอ่ mm. คงจะเป็นกะลาม้อเผ า, าหรือเป็นหม้อเป็นอะไรก็ไม่รู้แหละเครื่องขอทานเามือนกันท่านไปเห็นแค่ก็ถอนว่าโรติกะเธอเนี่ยเป็นคนขอทานเนี่ยเสื้อผ้าของแก่อย่างนี้ แกจะแก่จะไปอยู่อยู่เหรอแกจะไปลาสิกขาจะไปเอาเครื่องขอทานอย่างนี้ไปอีกเหรอเธอจะไม่ละอายบ้างเหรออันนี้เธอเป็นพระแล้วนะทําไมเธอจึงคิดอย่างนี้ท่านก็ไปสอนนะมีความให้รีความละอายขึ้นมาแก่ใจเบรกตัวเองเมงื่อกี้จิตใจก็อืออพ่องใสขึ้นมากลับมากลับมาแล้วกิอยู่มาอีกสองสามวันอีกมันปั่นปูนขึ้นมาอีก ไปอีกไปดูเสื้อผ้าอันเก่านี่นะพอไปเห็นลนไปสอนตัวเองอีกในนั้นนะ่ะโลติกะเธอยังไม่ละอายแก่ใจบ้างเหรอถ้าเธอไปอย่างนี้เห็นไหมเสื้อผ้าขาดขา ด, ดลงุงหลงเหลงิลงๆหเนี่ยเออแล้วกการกินอาหารของเธอก็อย่างที่ว่านะเดี๋ยวนี้บัดนี้เธอเป็นนักบวชเธอเป็นพระทำไมเธอจึงไม่ซ้ำรวมไม่ระวังไม่รักษาศีลภาวนาตามแนวแถวที่พระอุปชาครูบาอาจารย์ท่านสอน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 เป็นพระอรหันต์นะคือวิบากกรรมตัวนั้นเป็นวิบากวิบากในอดีตชาตินะจากนั้นท่านในเป็นพระอรหันต์แล้วทันี้ท่านก็ไม่ไปละบัดไม่ไปหาเสื้อผ้าเก่างั้นแต่พระสงฆ์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนเพื่อนกันก็ก็ถามโลติกะเธอไม่ไปที่นั่นอีกแล้วทําไมตะกอนเนี่ยเธอไปบ่อยเหลือเกินเที่ยวไปเที่ยวมาเที่ยวมาเที่ยวไปอย่างนั้นแต่บัด น, นี้ทำไมท่านท่านจึงไม่เที่ยวไปไม่เที่ยวไป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 เป็นพระเป็นสงฆ์เป็นญาติเป็นโยมผู้เฒ่าผู้แก่อะไรก็ตามนะทั้งโมโหโธโสหรือมาอย่างแรงๆจะ ด, ดา่าลูกดาล้านแน่ๆด่าไปเพื่ออะไรด่าก็ไม่เกิดประโยชน์เอายดนิ่งไปซะบางทีก็เกิดประโยชน์นะทางวันนิ่งเฉยเมยเกินไปก็ไม่ดีเหมือนกันนะทำให้ลูกหลานเขาไม่ระเบียงระวงังก็ต้องดุด่าว่ากาบางสั่งสอนเขาบางแต่ถ้าว่าทาให้เขาเดือดร้อน ทั้งวี่ทั้งวันก็ไม่ดีอีกเหมือนกันนะคนแก่ชอบบ่นชอบจู้จี้จุกจิกอันนั้นก็เป็นทำให้ลูกหลานเขาลาคาญสิ่งเหล่านี้ก็ต้องให้พอดีพอเหมาะพอสมพอควรนั่นแหละเพราะนั้นพวกเราทุกๆ ท, ท่านนะที่ยกนิทานสาธกขึ้นมานี่ก็นี่แหละให้เบรกใจตัวเองให้ห้ามใจตัวเองในสิ่งที่มันไม่ถูกต้องพยายาม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 รูปร่างกลางตัวมันเป็นมาอย่างไงมันก็เป็นมาอย่างนั้นเป็นวิบากกรรมในอดีตชาติแต่วัวใจของเราเนี่ปรับปรุงแก้ไขไดเ้เหมือนกับคนเราทุกๆคนร่างกายเหมือนเหมือนการหมดนะขาสองแขนสองศีรษะหนึ่งแต่ใจของท่านเป็นพระโสดาบันเป็นพระสกทาคามีเป็นพระอนาคามีเป็นพระอระหรันต์นี่พระอรหันต์ก็เหมือนกับคนรูปร่างกลางตัวเหมือนคนทั้งหลายแต่ใจของท่านเป็นพระอรหรันต์ เพระพุทธเจ้าท่านเน้นหนักเรื่องใจเป็นสําคัญใจเป็นใหญ่ใจเป็นหัวหน้าตนันให้สําคัญมนุษย์เปโตร่างกายเป็นมนุษย์แต่จิตใจเป็นเปรตเป็นผีมีแต่ความแก่งแย่งมีแต่ความมุทะลุมนุษย์สเปโตมิแติหิวโหยอยู่ตลอดมนุษย์สติรชาโนโอลร่างกายเป็นมนุษย์แต่จิตใจเป็นสัติรฉาน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 ที่นั่นแลเป็นที่เรื่นรมพระอรหันต์อยู่ณสถานที่ใดที่นั่นแลเป็นที่เรื่นรมถ้าเราจะเปรียบเทียบให้มันต่ำลงไปกับกิเลสความโลภความโกรธความหลงอยู่ณสถานที่ใดที่นั่นแลเป็นที่วุ่นวายคงจะไม่ผิดว่างั้นเถอะพอแต่นี่บาลีนี่ไม่มีว่างั้นเถอะแต่หลวงพ่ออินตั้งขึ้นไว้ที่ใดสถานที่ใด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 อ, อดังที่สิ่งเหล่านั้นมันไม่ใช่ของจริงแต่ว่ามันก็แย่งกันโลกนี่มันโลก ก, ล ก, กิเลสนะแล้วก็วุ่นวายระบาดไอ้ฆ่ากันไม่รู้จักไม่รเหตุไม่รู้จักผลระบาดเลยเแต่ถ้าว่ามีเหตุผลเข้าไปมีแต่ความร่มเย็นเป็นสุขถ้าว่าทุกคนมีเหตุมีผลทุกคนเคารพกติกาเขาทุกคนมีศีลธรรมประจํากายวาจาใจแล้วมีแต่ความร่มเย็นเป็นสุขนะ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 บาป บ, บุญคุณโทษมีจริงทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วถ้าเราไปจับไฟเลยสิมันร้อนทันทีนะเพราะเราทำชั่วสิ่งชั่วก็เหมือนกันถ้าเราทำเข้าไปแล้วเดือดร้อนทันทีแหะถ้าเราทำดีเราอยู่ที่ไหนก็ล่มเย็นเป็นสุขน ะ, อะตอนนี้ไปรับพรที่นะี่นะวันนี้ให้ข้อคิดแก่พวกเราทุกทุกทนที่เป็นพุทธบริษัทยะถาวาริวหาปูรา